บทว่าโลกหิตานุกรรมประกังเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้เกื้อกูลแก่โลกและผู้อนุเคราะห์โลกพระองค์เนี่ยเกื้อกูลทําทุกอย่างเพื่อเพื่อโลกส่งเสริมโลกช่วยให้โลกทั้งหลายพ้นจากความทุกข์มุ่งปลดเปลื้องสัตว์โลกทั้งหมดให้พ้นไปจากความทุกข์เพราะฉะนั้นพระองค์ชื่อผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกพระองค์จึงชื่อว่าโลกหิตานุกรรมประกะผู้ทําประโยชน์ ผู้สงเคราะห์ผู้มีใจกรุณาต่อโลกทั้งหลายมุ่งจะเปลื้องสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์น้อมนําประโยชน์และความสุขไปให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายเพราะว่าสัตว์โลกทั้งหลายคือจริงอยู่แหมพากันชื่นชมร่าเริงดีใจถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าจากไปแล้วเายิ้มใช่ไหมแล้วก็เสียใจอีกแล้วเนี่ยนะก็คนเขบอกว่าเสียงหัวเราะของประชาชนทั้งหลายประชุมชนทั้งหลายก็ไม่ต่างอะไรกับเสียง ร้องให้เพราะฉะนั้นทำยังไงเขาจะได้เลิกร้องให้ตลอดไปทำยังไงเขาจะหมดกิเลสเป็นเหตุให้ร้องให้พระองค์ก็จะแสดงธรรมเพื่อกําจัดความเศร้ามองเป็นเหตุให้เขาร้องให้เนี่ยนะรพราะองค์เนี่ยเกิดมาเพื่อสงเคราะห์เขาจริงๆให้เขาพ้นโศกปริเทวทุกโทมนัตและอุปาญาตก็แสดงว่าพระองค์แสดงธรรมเพื่อ ปลดเปลื้องให้เขาพ้นจากชาติชราและมรณะให้เขาบรรลุโสดาปิมัคเป็นต้นให้บรรลุอริยมรรคและอริยผลทั้งหลายเขาก็จะข้ามออกจากทะเลแห่งสังสารทุกพ้นจากทุกพระองค์นี้มีใจเปื้องเขามีจิตกรุณามุ่งจะเปลื้องเขาให้พ้นจากทุกมุ่งนำประโยชน์และความสุขเข้าไปให้แก่เขาโดยส่วนเดียวพระองค์ก็ชื่อว่าโลกหิตานุกรรมปะกังผู้เกื้อกูลแก่โลก ผูอ้อนุเคราะห์แก่โลกเนี่ยนะหรือว่าอะไรนะพระโลกกันนาทั่วๆไปก็นิยมใช้คําว่าพระโลกกันนาพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกพระผู้สงเคราะห์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกบทว่าณเพวะอัจจุคตะจันดมันดลังความว่าพากันชมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รุ่งโรดด้วยพุทธสิริเรียกว่าพุทธสิริก็คือประดับด้วยความงดงามที่ทําความชื่นมื่นหรือเบิกบานใจแก่ดวงตา เรียก ว, ว่าตาเนี่ยนะไม่ใช่แบบเคยเห็นอะไรแล้วตาหยีเลยนะไม่ใช่เห็นแบบเห็นแล้วตาหยีแหมตาเอียงตาเขตาเหล่ตาเหลือกเป็นต้นไปเป็นแบบนั้นนั้นมีแต่แบบตาเนี่ยเ อ, อิบอิ่มะนะเป็นเ อ, อิบอิ่มจริงๆเหมือนชมจันท์ในฤดูสัตว์ชมจันทรในฤดูสัตว์นศศี่ชมวันไหนก็คือชมวันนั้นนะวันออกพรรษา่วันเพ็งวันเพ็งก่อนออกพรรษาหนึ่งวันอ่ะนะวันออกพรรษาเป็นวันที่หรือว่าฤดูสัตว์เนี่ยนะ หรือว่าก่อนหน้านี้เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่วันที่พระจันทร์เพ่นขึ้นมาเนี่ยสวยเนี่ยนะเพราะว่าพระจันทร์ในวันนั้นเนี่ยวันที่ไหนวันที่ไม่มีอุปัตวะวันที่ไม่มีเมฆหมอกไม่มีเมฆฝนอันนั้นส่องสว่างฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเนี่ยนะวันยังดวงใจของผู้ที่เห็นเนี่ยให้เ อ, อิบอิ่มปราบเพลิมใจดีใจบันเทิงใจนึกในใจในขนาดเราเห็นพระพุทธรูปเรายังสบายใจขนาดนี้ถ้าเห็นพระพักที่ ที่เกิดจากบุญที่พระองค์สั่งสมมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับจากรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานที่จิตที่เป็นมหากิริยาจิตมหคัตจิตจิตที่เป็นมรรคผลเป็นสมุทฐานจิตที่เป็น อ, นส า, นนอาสาธารณญาญเป็นต้นเป็นสมุทฐานแห่งรูปเหล่านั้นเนี่ยนะแล้วก็เป็นบุคคลที่มีอิอริยาบถสปายะอุตุสปายะทุกอย่างหมดเลยเนี่ย ถ้าเราได้เห็นพระองค์เหล่านั้นเนี่ยผู้ดได้อาหารที่เรียกว่าอาหารก็เป็นอาหารพิเศษประกอบด้วยอาหารทิพย์เป็นต้นเนี่ยจะยังจิตให้ชื่นชมปราบเลื่มสมนัตขนาดไห น, นยังบางคนไปนั่งชมพระพุทธชินราชก็ดูได้ไม่เบื่อหรือว่าคนที่ไปอินเดียก็ไปดูหลวงพอ่อพระพุทธเมตตาเนี่ยก็ดูได้ไม่เบื่อยังจิตใจให้เอิบอิ่มปราบเลื่มสันไดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นฉันนั้นเพราะว่าพระองค์นั้นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อ ความสุขแก่พระองค์เพราะนั้นผู้ใดได้เห็นพระองค์ด้วยตาผู้นั้นก็มีความสุขผู้ใดได้ฟังเสียงของพระองค์ด้วยหูผู้นั้นก็มีความสุขผู้ใดระลึกถึงพระองค์ด้วยใจใจของผู้นั้นก็มีความสุขเพราะว่าพระองค์นั้นปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเกือเ้อกูลเพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นปัจจุบันพระพุทธเจ้านั้นจึงว่าเห็นก็เป็นสุขฟังก็เป็นสุขคิดถึงก็เป็นสุขยิ่งปฏิบัติตามคําสอน ก็สุขในโลกนี้เนี่ยนะสุขสุกในขณะนั้นเลยแล้วก็เป็นอุปนิสัยแห่งสุขระดับสูงขึ้นไปอีกสุขที่เกิดจากฌานอภิญญาตลอดจนถึงการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเพราะการรู้อริยสัจเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความสุขหมดเลยเนี่ยนะเพราคนที่ไม่เห็นอริยสัจนั่นแหละจึงเป็นคนที่ยังจมอยู่ในกองทุกผู้ที่เห็นอริยสัจทั้งหลายแล้วก็พ้นไปจากความทุกข์เพราะประตูที่จะให้มองเห็นอริยสัจก็คือเห็น พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือเหมือนกับว่าอริยสัตว์เคลื่อนที่อย่างนั้นเถอะนะเพราะเป็นผู้ที่ประกาศรอริยสัตว์ให้เห็นพระองค์อยู่ที่ไหนสัตว์ทั้งหลายก็สามารถที่จะเห็นอริยสัตว์ได้สรุปว่าพวกเทวดารวมทั้งหมู่พรหมนะพรหมชั้นอภัสราสุภกินหะเวหพลาพวกอภัสราก็คือพวกปริตาภาอ ป, ปมาณาภาอภัสราที่เกิดด้วยทุติยาชาต ส่วนพวกสุภกินหาก็เกิดจากตติยะชาญปริตตสุภาอั ป, ปมานสุภาและสุภกินหาส่วนเวหพลานั้นก็มีผลไยบูร์นี่ก็เกิดจากจตุทชาญเป็นระดับเดียวกันกับอสัญญาสัตว์ปฐมชาญท่านไม่แสดงไว้ในที่นี้เนี่ยเพราะเป็นภูมิชั้น่ากแต่ก็แสดงชื่อว่าแสดงแล้วละ่ะแม้กระทั่งรวมถึงอากาิาิฐาเนี่ยนะก็คือสุดทาวาท่าชาั้นอวิหะอตปาสุทสาสุทศีอากาิาิฐา เทวดาเหล่านั้นเนี่ยนะหมู่พรมเหล่านั้นใช้ผ้าสะอาดคือสะอาดหมดจดขาวผ่องแผ้วขาวสะอาดดีทั้งนุ่งและหม่มเรียกว่าเป็นผู้นุ่งห่มผ้าขาวสะอาดดีแปลว่าผู้ครองผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์พากันยืนประคองอัญเชลีปัชชลีกตาเนี่ยนะปัจฉลีกตาก็คือประคองอัญชลีทําการยกมือทําให้เสมือนดอกบัวตูไม้เนื้อเสียน อันนั้นไม่ใช่ดอกบัวเหี่ยวบัวเฉาบัวอะไรบัวร่วงบัวโรยบางคนก็ไหว้มือเนี่ยนะโอ้ยยกมือไหว้ยังก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยนะก็ไม่ยกยก็ดูสวยกว่าทั้งยเยอะเลยนะือยกก็ยกเอียงไหว้ก็ไม่รู้ว่าไหว้เป็นเหมือนกับดอกบัวเตรียมจะโรยจะร่วงอย่างนั้นแหละไม่เต็มใจไหว้บางไงไม่รู้จะไหว้หรือไม่เรียกว่าไหว้ก็ไม่ทราบแต่นี้พวกพรมเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นหรอกแล้วก็เหมือนทําเหมือนดอกบัวตูมแล้วก็ไว้เหนือเสียนกล้าเนี่ยนะ ด้วยจิตใจที่นอบน้อมพร้อมเหล่านั้นก็กล่าวว่าโอโหชินโลกหิตานุกรรมปโตเนี่ยนะเปล่งวาจาว่าโอโหชินโลกหิตานุกรรมปโตแปลว่าโอ้ oh, พระชินเจ้าผู้เกื้อกูลแก่โลกโอ้ oh, พระผู้เกื้อกูลอนุเคราะห์โลกโอ้ oh, พระผู้มีใจกรุณาเนี่ยนะผู้มีใจกรุณาผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา ผู้ที่มุ่งปลดเปลื้องความทุกข์แห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายโอ้ยผู้เกื้อกูลโลกผู้อนุเคราะห์โลกผู้ผู้มาโปรดโลกผู้มาช่วยโลกให้พ้นไปจากความทุกข์ทีนี้กล่าวคําสดุดียกย่องของทวยเทพเหล่านั้นเนี่ยนะเทวดาเขาพากันสรรเสริญพระพุทธเจ้านะเขาตอนนั้นไม่ทําไมไม่สวดอิติปิโสไม่ทราบเนี่ยนะของเราก็จะชมพระพุทธเจ้าขา้าอิติปิโสพรคาวาอารังซัมมาเนี่ยนะแต่เทวดาเขาก็กล่าวว่า พระองค์เป็นาศาสดาเป็นที่เคารพยำเกรงเป็นธงเป็นหลักเป็นที่พํานักเป็นที่พึ่งเป็นประทีปของสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเป็นผู้สูงสุดของสัตว์สองเท้าเนี่ยนะคำอธิบายบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระาศาสด า, สาศาสถาเนี่ยนะก็คื อ, อยกมาข้อความอันหนึ่งในในอิติปิโสนะก็คือาศทาสถาเทวมนุษย์สานังก็ยกม า, าศาสถาพระองค์ผู้เป็น พระศาสดาแต่ยกบทเดียวก็ชื่อว่ายกอิติปิโสมาหมดแล้วตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมารสารติศาสถาเทวมนุษย์สังพุโตพระขวานี่นะยกมาบทเดียวพระองค์คือพระศาสดาคือผู้ที่มีคุณธรรมเนี่ยนะแบบนั้นเนี่ยท่านมีคุณธรรมเพื่ออะไรเพื่อจะมาสอนเนี่ยนะสอ น, สอนสอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เกื้อกูลเพราะสิ่งใด ที่จะเป็นประโยชน์สิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลพระองค์ก็บอกสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนั้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอะไรที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกนี้อะไรจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกหน้าอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งพระองค์ก็โอวาทแนะนําพร่ำสอนเนี่ยนะพระองค์ชื่อว่าพระศาสดาบอกว่าชื่อว่าเกตุเพราะพระองค์นี่เป็นเหมือนธงธงนี่เป็น เป็นของที่พึงยำเกรงเขาเรียกว่าเห็นธงสบัดอยู่เนี่ยนะบอกเห็นธงธงเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความยำเกรงฉันใดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ชื่อว่าเป็นเกตเนี่ยนะก็คือเป็นผู้ที่มีความน่าเคารพน่ายำเกรงฉันั้นบทว่าถ้าโชว์เนี่ยนะเมื่อกี้คำว่าเกตพราะพระองค์เป็นที่ยำเกรงต่อไปก็ทชะคือธงเป็นเหมือนกับธงของพระอินเหมือนกันธงองค์อินเน่ยเป็นเหมือนกับธงองค์อินคือธงขององค์ผู้เป็นใหญ่ทั้งหมด พระองค์เป็นเหมือนธงพระอัฐวายกขึ้นพระอัฐวนาชื่นชมเหมือนอย่างเขาว่าเขาเห็นธงของผู้หนึ่งผู้ใดก็รู้ว่านี้ธงของผู้มีชื่อนี้เพราะฉะนั้นเรียกว่าผู้มีธงพระองค์นั้นทรงเป็นหลักพระองค์เนี่ยเป็นเป็นทโชยูโปโจะเน่นะอธิบายว่าพระองค์ทรงเป็นหลักที่เขายกขึ้นเพื่อบูชายันทั้งหลาย เอกนหนึ่งอธิบายว่าพระองค์เนี่ยเป็นที่พื้นที่บูชายันก็ได้พระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งการบูชายันยันเนี่ยแปลว่าการาบูชาเนี่ยนะเป็นเป็นการเจริญมงคลนะแต่คําว่าบูชายันในที่นี้ไม่จะว่าฆ่าสัตว์สังเวยพระพุทธเจ้าไม่แต่บูชาพระองค์ด้วยทานนะบูชาพระองค์ด้วยวัตถุทานทั้งหลายบูชาพระองค์ด้วยอภัยทานทั้งหลายบูชาพระองค์ด้วยธรรมทานทั้งหลายบูชาพระองค์ด้วย การรักษาศีลบูชาพระองค์ด้วยอินทรีย์สังวรบูชาด้วยโภชเนมตันยุตาชาคริยานุโยคสติสัมปชัญญาบูชาพระองค์ด้วยการกำจัดการมาฉันทานิวอพยาบาทนิวอนทีนมิทธาอุทจักกุกุจานิวรนบูชาพระองค์ด้วยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจตุธาฌานบูชาพระองค์ด้วยอากาสาณัญญาตนะวิญญาอากินเนวะสัญญาณสัญญายาตนะ บูชาพระองค์ด้วยปุเพนิวาสานุสติยานบูชาพระองค์ด้วยจุโตูปปาตยานบูชาพระองค์ด้วยอาสวัคยายานบูชาด้วยโสดาปฏิมักสกธาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมัตกว่าบูชามีการให้ทานเป็นต้นมีอาสวัคยายานเป็นที่สุดเนี่ยนะบูชาพระองค์ด้วยคุณธรรมทั้งหลายมพระองค์เนี่ยเป็นที่ที่ตั้งแห่งการบูชาจริงๆเพราะว่าเมื่อพระองค์เกิดขึ้นในโลก ผู้ที่บูชาพระองค์ด้วยวัตถุทั้งหลายดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟมาลาเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยประทีปแสงสว่างทุกชนิดสิ่งที่ดีสิ่งที่ประณีตต่างก็พากันน้อมนำมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่การละจากบาปประธรรมทั้งหลายละจากความชั่วทางกายทางวาจทางใจทั้งหลายเนี่ยนะ กำจัดความหม่นมองความเศร้ามองทางกายวาจาใจทั้งหลายให้เป็นกายวาจาใจที่สะอาดบริสุทธิ์บูชาพระองค์ด้วยการเจริญสติปัฏฐานสัมมปัฏฐานอิทธิบาทอินทร์พระละโพชงและองค์มัดตางน้อมนําคุณธรรมเหล่านี้มาเจริญมาปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาพระองค์นั้นจึงเป็นที่ตั้งแห่งการบูชาเนี่ยนะพระองค์นั้นจึงเป็นธงเป็นหลักเป็นที่ตั้งแห่งการบูชาพันพระองค์เนี่ยถ้าไม่มีพระองค์เนี่ย บางคนนี่ให้ปฏิบัติเพื่อตัวเองไม่เอานะแต่ถ้าทําเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเอาจะเหน็ดเหนื่อยจะทุกข์จะยากจะลําบากขนาดไหนถ้าทําเพื่อพุทธบูชายอมได้หมดทําได้หมดเพราะอะไรเพราะเพื่อพุทธบูชาเคารพพระพุทธเจ้ามากพระองค์นั้นจึงเป็นที่เรียกว่าทโชยูโปจะเป็นที่ตั้งแห่งการบูชาเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งการบูชาทั้งด้วยวัตถุและด้วยการปฏิบัติทั้งหลายทั้งอามิดบูชาและการปฏิบัติบูชา พระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นปรายณโนเพราะเป right. ็นที่พำนักของสัตว์ทั้งหลายหรือเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของสัตว์ทั้งหลายที่พำนักของสมมติว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เดินทางเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่สัตว์ทั้งหลายไม่ลืมคิดก็คือที่พักที่พักข้างหน้าจต่อไปเนี่ยนะถ้าเดินทางไปที่ไหนก็ต้องนึกถึงที่พักก่อนฉันใดพระพุทธเจ้าเป็นที่พักของสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเนี่ยนะเป็นที่พักเป็นที่พึ่งพิง ที่พักให้ความสงบร่มเย็นฉันใดผู้ที่พักใจไว้กับพระพุทธคุณทั้งหลายก็ฉะนั้นประสบแต่ความสุขประสบแต่ความสงบร่มเย็นผู้ที่ได้ถึงที่พักได้บริโภคอาหารถึงความเอิบอิ่มฉันใดผู้ที่พักใจเอาไว้กับพุทธานุสติเป็นต้นก็จะเอิบอิ่มด้วยปีติและปราโมทฉะนั้นพระองค์จึงเป็นปรยโนเป็นที่ที่ไปในเบื้องหน้าเป็นที่พานักพระพิง เป็นที่ให้เกิดความเอิบอิ่มแก่ผู้พํานักอาศัยบทว่าปฏิทถาได้แก่แม้พระองค์ก็เป็นที่พึ่งเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นเหมือนกับแผ่นดินเป็นที่ประดิษฐานเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นที่รองรับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นเนี่ยนะผัญสัตว์ถ้าจะทําคุณงามความดีเนี่ยนะปรารบพวกพุทธคุณทั้งหลายอ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงคุณประดุษแผ่นดิน หมายคือว่าแผ่นดินเป็นที่เพาะเป็นที่ปลูกเป็นที่อาศัยเป็นที่เจริญเสบียงเจริญอาหารฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญคุณธรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นแผ่นดินเป็นที่เจริญขึ้นแห่งยูกยาฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นที่เจริญแห่งยูกยาคืออริยมรรคฉันนั้นทั้นพระองค์เนี่ยเป็นที่รองรับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรืออีกในหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับอะไรเป็นเหมือนกับเรือเป็นเหมือนกับแพ ที่จะช่วยพาสัพพษาทั้งหลายให้ข้ามออกจากวัฏฏทุกข์นั้นพระองค์จึงเ ป, ปเป็นที่ประดิษฐานเป็นที่ประดิษฐานเป็นที่รองรับสําหรับสัตว์ผู้มีทุกข์แบบนั้นเถอะเพื่อให้เขาเหล่านั้นพ้นไปจากความทุกข์บทว่าทีโปเนี่ยนะทีโปก็คือประทีปหรือทีโปเนี่ยแปลหลายอย่างทีปะเนี่ยแปลว่าประทีปก็ได้แปลว่าเกาะก็ได้ ท, นะทีปะเนี่ยนะคือทวีปอะภาษาไทยนิยมใช้คำว่าทวีปจะใช้ว่าทีปะเนี่ยแปลว่าเกาะก็ได้แปลว่าประทีปก็ได้นัยยะแรกอธิบายว่าประทีปก่อนอธิบายว่าประทีปที่เขายกขึ้นประทีปหมายถึงแสงสว่างที่เขายกขึ้นสําหรับสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในความมืดมีองค์สี่ย่อมส่องสว่างให้เห็นรูปได้ฉันใดอย่างยามค่ําคืนที่มืดมิดปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกเนี่ยนะ ถ้าหากว่าอาศัยแสงประทีปแสงสว่างจุดก็สว่างสว่างกำจัดความมืดให้มองเห็นสีมองเห็นสีขาวสีเขียวสีเหลืองฉันใดพระองค์ก็เป็นเหมือนกับประทีปศาสตร์ส่สองให้สัตว์ทั้งหลายเห็นประมาต ธ, ธรรมให้สัตว์ทั้งหลายเห็นทุกขาริยสัตว์อัฏฐะที่จริงแท้คือขันอาญตนะท่าที่ปีละนะเนี่ยนะเบียดเบียนส่องให้เห็นความเบียดเบียนแห่งทุกขส์สัตว์ส่องให้เห็นถึงความ เร่าร้อนของขทุกขสัตว์เห็นความถูกปัจจัยปรุงแต่งของขทุกขสัตว์แล้วก็เห็นความแปรปรวนไปแห่งทุกขสัตว์ทั้งหลายคือขันอายตนะธาตุโปร่งส่องให้เห็นถึงสมุทัยที่เยื่อย า, ายอาลัยอววรในขันเหล่านั้นว่านํามาซึ่งกองทุกอายุหนะเนี่ยนะแล้วก็เป็นเหตุแห่งทุกขแล้วก็มอบมอบหมายซึ่งทุกขให้ทําให้พวพันธุ์จมอยู่กับกองทุกขแล้วก็พระพุทธรัตนะเนี่ยส่องให้เห็นพระนิพพานเนี่ยนะ เป็นที่สงบสงบอ่าเป็นที่ระ ง, งับดับทุกข์เป็นธรรมที่ไม่ตายแล้วก็ยกให้สัตว์ทั้งหลายเห็นข้อปฏิบัติ ด, ดำเนินสู่ข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเห็นพระนิพพานสําหรับเหล่าสัตว์ที่ตกอยู่ในความมืดคืออวิชาพระอวิชาปกปิดไม่ให้เห็ น, ท, กปกปหหนทุกข์ปกปิดไม่ให้เห็นทุกข์คัสมุทัยปกปิดไม่ให้เห็นทุกข์นิโรธปกปิดไม่ให้เห็นทุกข์นิโรธถาขามินีปฏิปทา ปกปิดไม่ให้เห็นอดีตไม่ให้เห็นอนาคตไม่ให้เห็นทั้งอดีตอนาคตไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทไม่เห็นทุกขสัตสมุทัยสัตที่ไหลสืบเนื่องกันไปไม่ให้ให้เห็นนิโรธสัจจะเป็นที่สลัดออกจากทุกแล้วก็ไม่ให้เห็นข้อปฏิบัติที่สลัดออกจากทุกขพระองค์เป็นเหมือนกับประทีปเกิดขึ้นมาในโลกสัตว์ทั้งหลายผู้มืดบอดด้วยอวิชาก็มีแสงสว่างที่จะเห็นอริยสัจพรู้ผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจ ตามพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้พระองค์จึงเป็นเหมือนกับประทีปยกตัวอย่างทั่วไปอธิบายว่าดวงอาทิตย์สาดส่องท้องฟ้าในยามเช้าขจัดบำบัดความมืดให้หายไปพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกก็ขจัดความมืดมิดโลกที่มืดบอดด้วยวิชาทำวิชาให้เกิดขึ้นทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นทาสัมมาทิฏฐิให้ เกิดขึ้นทำสัมมาสังกัปปะเป็นต้นให้เกิดขึ้นให้สัตว์ทั้งหลายดำเนินเจริญไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้ว ย, ยองค์8แต่ถ้าเมื่อใดดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วหนทางก็มืดมิดตามเดิมฉันใดเมื่อพระพุทธเจ้าคนไม่รู้จักพระคุณของพระองค์ทั้งหลายมิดชาทิฐิก็ปกคลุมตามเดิมแต่ถ้าคนรู้จักพระพุทธคุณทั้งหลายสัมมาทิฐิก็ยังรุ่งเรืองบรรพพระองค์จึงเป็นเหมือนกับ ประเทศที่สัตว์ส่องให้สัตว์ทั้งหลายมองเห็นสภาพที่เป็นจริงของอริยศาสตร์ทั้งหลายนั่นเองอีกในหนึ่งแม้พระองค์ก็ทรงเป็นเหมือนกับเกาะเกาะในนาทีปราบทวีปแปลว่าเกาะเกาะท้องสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนี่เหมือนกับจมอยู่ในห้วงน้ําจมอยู่ในสาครทะเลแห่งสังสารวัตทะเลแห่งกรรมวัตวิปากวัตรกิเลสวัตรทะเลแห่งสังสาระที่ไหลสืบเนื่องกันไปเป็นขันอายตนะธาต เกิดเบื้องต้นเป็นความเกิดท่ามกลางเป็นชาาที่สุดเป็นมรณะอาศัยชาติชาามรณะเป็นที่ตั้งแห่งโสกาปริเทวทุกโทโมณตและอุปายาตไหลเวียนวนไปเนี่ยนะเป็นวิปากวัตรเป็นวิปากวัตรที่เป็นไปกับชาติชาามรณะ เป็นเหตุแห่งโสกกะปริเทวะทุกขโทมานัสอุปายาตเมื่อโสกกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตเกิดเท่าใดสัตว์ทั้งหลายก็ขวนขวายในการทํากรรมเนี่ยนะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทํากรรมเหล่านั้นเพื่ออะไรก็เพื่อชาติชรามรณะเนี่ยนะมันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจมอยู่ในห่วงแห่งขันธาตุอายตนะจมอยู่ในห่วงแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสุดแท้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารจะพาจิตพาใจให้เดือดร้อนให้ ลำบากเนี่ยนะถ้ารูปแปรปรวนใจก็แปรปรวนเพราะว่าสรรพสัตว์ ท, ทั้งหลายเนี่ยคือผู้ที่จมผู้ที่ติดผู้ที่คล่องในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อรูปแปรปรวนไปก็ทุกข์ก็ตามมาเวทนาแปรไปทุกข์ก็ตามมาสัญญาแปรไปสังขารวิญญาณแต่และอย่างแปรไปทุกข์ทั้งหลายก็ตามมาเขาจมอยู่ในกองทุกข์เหล่านี้พระองค์ก็เป็นเหมือนกับเกาะกลางทะเลเกาะท่ามกลางมหาสมุทร เพราะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเมื่ออับปางในมหาสมุทรเหมือนเรือที่อับปางในมหาสมุทรเช่นั้นเพราะเขาจมอยู่ในกามโมคะพโวคะทิโขคะอวิโชคะพระองค์ก็เป็นเกาะดึงเขาให้ให้ขึ้นบนบกเนี่ยนะให้ขึ้นจากทิโถคะฉุดขึ้นมาตั้งบนเกาะด้วยโสดาปฏิมักเนี่ยนะฉุดขึ้นจากห่วงน้ําคือกามโมคะด้วยอนาคามีมักฉุดจากห่วงน้ํา คือพระโวคะและอวิโชคะด้วยอรหัตตมักยกเขาไว้บนอารยมัคหรือเพื่อคือพระนิพพานเนี่ยนะอันพระองค์นี้จึงเป็นเหมือนกับเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยจริงๆมีอยู่ครั้งหนึ่งมันอยู่ในเกาะกลางน้ําอยู่ในเกาะกลางน้ําแต่ไม่มีน้ําดื่มอยู่กลางน้ําแต่หาน้ําดื่มไม่ได้เนีนะเพราะว่าน้ำมันน้าบางแห่งมันก็ไม่ใช่ว่าน้ําอย่างเช่นแม่น้ําสายให ญ, ใหญ่ไม่ใช่ว่าจะดื่มกินได้ สกปรกมันปฏิกูลเนี่ยนะก็ต้องไปหาน้ํจาจับน้ําบ่อทรัพย์ที่อื่นๆไกลจากที่นั่นออกไปก็เอาเรือไปในนี้มันช่วงค่าพอดีโผลเพลยามนั้นเนี่ยนะลมมันก็แรงเรือมันก็บรรทุกน้ําปริ่มน้ําลมมันก็แรงนะเครื่องยนต์มันโอ๊ยงานนี้ว่รอดไหมนอ้อรอดไหมน้องกันกนะไปก็แล้วก็ข้าเอาบรรทุกน้ำเนี่ยข้ามไปจนถึงกาะ เออมาถึงเกาะทุกคนก็หายใจโล่งเลยนะฮรอดตายแล้วเลยเนี่ะอันนี้ที่จริงอ่ะนะของมาเองกันแหละกับเพื่อนอีกหลายคนแล้วก็โยมอีกคนนึงอ่ะนะโอ้ยอาจารย์ผมขึ้นในใจมาไม่ใช่หอดว่าน้อว่างั้นเราว่ารอดหรือเปล่าน้องานนี้เพราะลมมันแรงมากแล้วเรือมันเรือเหล็กด้วยใช่ไหมมันก็ปริ่มน้ำอ่ะเรือไม่กี่นิวอ่ะโยกเยกโยกเยกโยกแยกอืมแล้วก็มันห่างฝั่งมันกันนะเป็นร้อยเมตรอ่ะ ปัญหาแล้วคลื่นมันก็แรงด้วยแล้วก็ลมมันก็ลมลมหนาวเนี่ยนะลมหนาวอีสานไม่ธรรมดาเนยลมลมเนี่ยพุชิกาธันวาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยละค ล, นนคลนนื่นเนี่ยคลื่นเนี่ยเป็นเม็ดเหมือนกันนะสำหรับแล้วก็น้ําก็ไม่ใช่ว่าน้ําแบบนี้นะน้ำเย็นจะเยือกอยู่ข้างบนมันก็ต้องห่มผ้าหนาวเหน็บอยู่แล้วเนี่ยไอกลางคืนหน้าหนาวอย่างนั้นทำไหมหนาวจริงๆแหมไปถึงเกาะก็ดีใจฉันใด ก็ถึงสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในสังสารวัตทุกเนี่ยนะมันใจสูงสู ง, สงต่ตําๆมันรอดไหมเนาะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเต็มไปได้วยความหนักอกตับใจเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนเต็มไปได้วยความแปรปรวนม่รเคลื่อนลมลมเรียกว่าคลื่นลมแห่งชีวิตถูกซัดมาจากทิศไหนบ้างก็ไม่รู้นั่นก็เต็มไปได้วยความเดือดร้อนเต็มไปได้วยความทุกข์ความยากความลําบากนั้นถ้าไม่ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นเกาะเป็นที่พึ่งจริงๆในไหมชีวิตไม่รู้จะไปยังไง หลายคนบอกว่าถ้าไม่ศึกษาคําสอนไม่ทราบว่าจะไปยังไงก็ไม่รู้ถามว่าจิตใจของเราจะเป็นอย่างไรเนาะจิตใจของเราไม่ต่างอะไรจะอยู่ในวังน้าบนจิตใจก็ไม่ต่างอะไรที่ถูกมารสมที่มันพัดกระหน่าลงในจิตใจไม่สบายใจเรื่องแล้วเรื่องเล่าเรื่องแล้วเรื่องเล่าเดือดร้อนใจเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เก็บมาลําบากใจหมดกันแหละเพราะว่าศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยที่ไม่มีเกาะไม่มีที่พึ่งอยู่ท่ามกลางทะเลแห่งกิเลสทั้งหลายท่ามกลางทะเลแห่งขันธาตุอายตนะทั้งหลาย ก็ฉะนั้นพระองค์เป็นที่พึ่งพิงอาศัยได้เนี่ยแต่ก็พระองค์เป็นที่เป็นที่พึ่งของผู้มีบุญเพราะพระองค์เป็นพุทธรัตนะรัตนะนี้เป็นเครื่องปราบเลื่มใจเป็นที่เป็นที่เคารพเป็นที่ยำเกรงของผู้ที่มีคุณทั้งหลายพันเราก็มันสมาทานให้อาศัยพระองค์เนี่ยเป็นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเราเทวดาเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาของเขา เป็นศาสดาที่จะแนะนําประโยชน์ให้แก่เขาถ้าเขายำเกรงเขายำเกรงพระพุทธเจ้าถ้าธงเป็นถ้วยชูเด่นเนี่ยนะสมมว่าไปที่ไหนก็บอกว่าถ้าเป็นยามในศึกสงครามโบราณเนี่ยเขาถือเอาธงเป็นหลักถ้าธงยังไม่ล้มแสดงว่ารบต่อไปได้ทหารห้ามถอยเด็ดขาดถ้าถอยแปล ว, ว่าขอขาดแต่ถ้าธงล้มแล้วถอยได้เใจไมว่าไม่มีใครมาเข็นมาฆ่าอะไรแต่ถ้าธงยังอยู่สบัดอยู่นะอย่างที่เรามีกฎอายการศึกโบราณเลยแหละ ถ้าธงยังตั้งอยู่ทหารคนใดถอยแม้แต่ก้าวเดียวคอขาดแค่เรียกว่าถอยก็ตายสู้ต่อไปอาจจะชนะอันนี้คือกฎโบราณเลยนะโบราณเนี่ยชั้นใดพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับธงสําหรับผู้ที่จะต่อสู้เพื่อการตรัสรูธ้ธรรมต่อสู้เพื่อความทนทุกข์พระองค์เนี่ยเป็นเหมือนกับธงแห่งชัยชนะเรียกว่าเป็นเหมือนธงชัย แล้วก็พระองค์เนี่ยเป็นหลักจริงๆพระองค์เป็นที่พำนักเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นประทีปของสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเพราะพระองค์เป็นผู้สูงสุดในสัตว์สองเท้าทวิปัทุตโมผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าชื่อว่าทวิปัทุตมะเนี่ยนะ มีคําถามว่าก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆแล้วพระองค์ก็เป็นผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าสัตว์เหล่านั้นจะเป็นสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มีเท้ามากสัตว์มีรูปหรือสัตว์ไม่มีรูปสัตว์มีสัญญาหรืออสัญไม่มีสัญญาเนี่ยนะหรือเนวะสัญญานาสัญญายตนะแต่ทําไมยกตัวอย่างแค่สัตว์สองเท้าเล่าเพราะเพราะว่าสัตว์สองเท้าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดในโลกเนี่ยนะ เช่นในหมู่ในหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเป็นต้นผู้เป็นสัตว์สองเทา้าประเสริฐสุด ส, สัตว์สี่เท้าเนี่ยเป็นเป็นธาตรับใช้สัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าจะไม่ได้เป็นอิสระอะไรเนี่ยนะสัตว์สองเท้าอาศัยพระพุทธเจ้านั้นถือว่ายอดของสัตว์สองเท้าสัตว์สองเท้าถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะพระองค์เนี่ยยอดของผู้ยิ่งใหญ่ถามว่าในสัตว์เหล่าไหนาก็คือเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อเหล่ามนุษย์ ย่อมบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเหล่ามนุษย์นั้นก็สามารถทำสามพันโลกธาตุมากโลกธาตุให้อยู่ในอํานาจได้พระพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่ครอบงําโลกทั้งหมดพระองค์นั้นเมื่อเกิดในเหล่าเทวดาบังเกิดหรือผู้สัตว์สองเท้าที่เป็นมนุษย์ก็ยิ่งใหญ่เนี่ยนะหรือถ้าเป็นพรหมก็เป็นเท้ามหาพรหมส่วนพรหมเหล่านั้นท่านบอกว่ามหาพรหมทุกชั้นเนี่ยนะพร้อมที่จะเป็นกัปปิยะการกก็แปลว่าพร้อมที่จะเป็นวยาวัจกรของ พระพุทธเจ้าหรือเป็นอารามิกะแปลว่าคนดูแลวัดให้พระพุทธเจ้าได้พร้อมที่จะมาคอยอุปถากรับใช้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงเรียกว่าผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าอย่างพรมยังต้องมาคลุกเคล่าอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์นี่สูงสุดกว่าสัตว์ทุกชนิดนะเรโดยยกตัวอย่างว่าสัตว์ที่เหนือกว่าสัพสัตว์คือสัตว์สองเท้า เทวดาและพรหมเหล่านั้นพากันชื่นชมนะนะบอกว่าเทวดาทั้งหลายในหมื่นโล ก, กาธาตุผู้มีฤทธิ์ผู้ยินดีร่าเริงบันเทิงใจห้อมล้อมน้ำม ก, การนอมน้อ ม, อมพระพุทธเจ้าเทพพบุตรและเทพพิทิดาผู้เลื่อมใส ย, ยินดีร่าเริงพากันบูชาพระนาราสภะด้วยดอกไม้ห้าสีหมู่เทพเลื่อมใส ย, ยินดีร่าเริงชมพระองค์เสร็จแล้วก็พากันบูชาพระนาราสพะด้วยดอกไม้ห้าสี โอ้หน้าปรบมือแปล ว, ว่าหน้าอาัศจรรย์หน้าประหลาดหน้าขนลุกชูชันหน้าอาัศจรรย์ขนลุกขนชันเช่นนี้เราไม่เคยพบเคยเห็นเกิดมาเทวดาบอกไม่เคยพบเคยเห็นเพราะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดง่ายๆบางทีเนี่ยนะโล ก, กธาตุว่างจากพระพุทธเจ้าร้ายกลับด้วยกันเทวดาบอกโอ้ความหน้าอัศจรรย์เห็นพุทธานุภาพเหล่านี้ไม่เคยพบเคยเห็น เทวดาเหล่านั้นนั่งอยู่ในภพของตนของตนก็เห็นความอัศจรรย์ในนภะาากาศก็พากันหัวเราะด้วยเสียงดังหัวเราะ อ, อันนี้หมายความว่าโหดีใจมากนะมันหัวเราะแบบคนดีใจจริงๆเลยอากาศเทวดาภูมธเทวดาและเทวดาที่อยู่ประจําำพุทะหรือต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยนะหรือว่าเทวดาที่อยู่ในทางเปลี่ยวก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจประคองอัญเชิญนามัส ก, การนอบน้อมพระพุทธเจ้าพวกนาคที่มีอายุยืน มีบุญมีฤทธิ์บันเทิงใจเสร็จแล้วก็พากันนมัส ก, การบูชาพระนราสพระเพราะเห็นความอัศจรรย์ในนภากาศสังคีตะเครื่องดนตรีทั้งหลายก็ดีสีทั้งหลายก็บรนเลงเครื่องดนตรีหุ้มหนังก็ประโคมในอัมพรภาคานะนะเพราะเห็นความอัศจรรย์ในนภากาศสังบันเดาะและกลองน้อ ย, อยเป็นอันมากก็พากันบรนเลงในท้องฟ้าวันนี้ความที่ขนชูชันน้าอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วเนาะ เราจะได้ความสําเร็จประโยชน์แน่แท้ได้ประโยชน์แน่ครับคือมองเรื่ว่างานนี่ได้ดีแน่นะนะเรียกว่าเหตุการณ์อัศาจรรย์ครั้งนี้จะช่วยให้เราพ้นทุกได้แน่เราเงินสำเร็จประโยชน์แน่ประโยชน์คือพระนิพพานเราได้แน่นะับบัดนี้เราจะให้สําเร็จประโยชน์ได้แน่แท้ขณะเราได้แล้วนะซึ่งจะอธิบายต่อไปว่าคําว่าขณะได้แล้วนี่หมายความว่าอย่างไร เพราะฉะนั้นเทพพายดาเหล่านั้นเนี่ยพอได้ยินคำว่าผูทโทก็เกิดปีติผู้โทก็ปีติทันใดก็พาการประคองอัญชลีกล่าวว่าพูทโทพุโทโธเนี่ยนะมูเทพยยต่างๆในท้องฟ้าพาการประคองอัญชลีเปล่งเสียงหึเปล่งเสียงสาธุโหร้องเอิบอึ้งลิงโลดใจเทพยยทั้งหลายพาการขับกล่อมประสานเสียงบรรเลง คำว่าขับกล่อมประสานเสียงเนี่ยก็คือชมพระพุทธเจ้านั่นเองเนะเช่นชมพระพุทธเจ้าปรบมือพากันฟ้อนรําโปรยดอกมณฑารพบ้าสีผสมกับจุนจันเรียกว่าผสมกับแป้งหอมข้าแต่พระมหาวีระด้วยประการไรเล่าพลักษณะจากที่พระบาททั้งสองของพระองค์จึงประดับด้วยธงวชิระประตากเครื่องแต่งพระองค์หรือขอช้างเป็นต้นอันเทวดาเหล่านั้นเนี่ยโค พากันชื่นชมยินดีเห็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์เนี่ยนะบอกว่าทุวังอธิบายว่าเพราะเหตุที่พระศาสดาพระองค์นี้อัศจรรย์อุบัติขึ้นในโลกเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจได้สำเร็จประโยชน์โดยแน่แท้เรียกว่าขณะที่ก้าเว้นจากอัคคณะทั้ง8ดเราได้แล้ว น, นะเดีย๋ยวพักสักครู่ก่อนจกได้กล่าวอักณะอัณะทั้งป